265. ปรับภาปพาชนียกรร ม, มะปฏิปัสสธิกถาว่าด้วยความขัดแย้งในการระงับปบพาชนียกรรม 446. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุถูกสงลงปบพาชนียกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหายเยอ่หยิงกลับตัวได้ ขอระงับปับพาชนิยกรรมถ้าภิกษุทั้งหลายตกลงกันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ถูกสงลงปับพาชนียกรรมแล้วกลับประพฤติ ช, ชอบหายเยื่อยิงกลับตัวได้ขอระงับปับภาชนิยกรรมเอาละพวกเราอย่าระงับปับพาชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น แล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมระงับปปพาชนิยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมระงับปปพาชนิยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยชอบธรรมระงับปปพาชนิยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยทำปฏิรูป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 จัดเป็นฝ่ายธรรมวาทีในที่ประชุมนั้น